อืมถัทถต่ออีกไอ้มันอ oh ุ่นอยู่เสมอจิตของเราอันต้องนี่กรรมที่จะมีผลเจ้าหนาสวนเจ้าไล่ปลูกอ้อยก็ได้อ้อย เช้านะฮะปลูกข้าวก็ได้ข้าวกรรมเพื่อการกระทำโลกเราก็ปลูกสติมีสติก็มีธรรมการกระทำจากก่อนเจริญสติเียาว่ากรรมฐานนี่นั่นก็ได้ผล เราเคลื่อนไหวมือพริกมือรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกเมาจะทำลงไปหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกให้กายเพื่อสร้างความรู้สึกให้มันมีอย่าให้มันฟรีถ้าใช่ฟรีมันก็ไม่มีประโยชน์ กไม่มีไ ม, ไม่เป็นกตต ก, กรรมแต่กรรมที่ไม่มีผลชีวิตก็ปรีไปทั้งชาติเราก็มีอาชีพศึกษาได้ทำเป็นเรื่องเรื่องชีวิตชีวิตของเราได้จากทำชีวิตอันหนึ่งได้จากเข้าบาาา้าน ให้เลือดเตือกได้มีชีวิตทำดีได้ทำชั่วได้เคยเจ็เจ็บตายชีวิตที่ได้จัดทำจากส ต, ติมันได้ชีวิตมันจะไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจบ ไ, ไม่ตายเราเอาชีวิตที่ได้จัด เ, เนือ้อ เอามาต่อออกชีวิตอีกอ็ดัมแต่ชีวิตเป็นกายเป็นใจมันเกิดเจ็บเจ็บตายชีวิตที่มันมาเห็นตามความเป็นจริงอ น, นั่นแหะจะไม่แจ่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายจะเห็นได้ประโยชน์จากกายจากใจ ใช่กายใช่ใจเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ถ้าไม่ใช่มันมันก็มีทุกข์มีโทษได้เพราะกายเป็นวัตถุอันหนึ่งที่เกิดที่ตั้งแห่งกรรมคุณมีตามีหูสมบกุกนิ้กายใจวัตถุแห่งที่เกิดกรรมคุณ ถ้าเราไม่ใช่ถูกแล้วก็ผิดได้ใจก็เหมือนกันตีตั้งแข่งอารมณ์รับอาันรตกกะจนมาทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์โกรธโลภหลงอยู่ในอาการเกิดดับอยู่เรื่อย เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาอาศัยไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกตรนุสอนตนเมื่อเรามีสติจะได้เห็นความเทศความจริงที่มันเกิดกับกากับใจเรานี้เราจะใช้สำเร็จประโยชน์ขอบคุณที่มันหลงจะได้ไม่หลง ขอคุณที่หมันโกรธจะได้ไม่โกรธมันทุกข์จะได้ไม่ทุกข์มันมีปัญหาจะได้เป็นปัญญามันต่อ ย, ยอดจากเหตุได้มนะเป็นเหตุ ด, ดีผลดีแต่ว่าจะมีเหตุมีผลต้องมีการกระทาถ้ามันหลงไม่รู้ ก็ฟีไปแล้วธาตุเราจึงมาไม่งานทําแบบนี้หรือบังคมเป็นชีวิตที่เราต่อเอาชีวิตอันประเสริฐชีวิตความาวิจาร์ความวจาร์เจอกัดเกิจฌาปเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ นี่คือชีวิตพองมจจนบริสุทธิ์ไม่เปื่อเพื่อนถ้าสุขเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์เปื่อนมันน่าจะขยันเปิดกอบเป็นกรรมขึ้นมาจริงๆไม่ฟรีไม่เป็นหมันถ้าเราใช่เป็นไม่เป็นหมันถ้าใช่ไม่เป็นก็เป็นหมันเฉยดฉชาดไปเปล่าๆมาให้เราศึกษา กายใจนี่มันเกิดให้เราศึกษาเป็นนารลาเล่มใหญ่เรามีสถิเข้าไปดูจะเป็นอุทกยนอนหงการศึกษาเลือกดูได้ในกายก็เลือกดูได้กายทุจริตมีความไม่ดีในกายก็มีกายเลือกได้กายสุจริต มีความดีอยู่ที่นั่นเอามาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นและสปรพสิ่งทั้งหลายอ้ออันมีเหมือนกับเครื่องมือเราเอามาทำดีเอามาละความชั่วเอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้ ถ้าเราไม่ดูมก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นนี่ชีวิตเราได้แบบนี้ที่ว่ามีชีวิตถ้าเราไม่ศึกษาก็ไปทางต่ำทำไปทางสูงทำย่อมรักษาผู้เผยธรรมเป็นนิจ ทำย่อมรักษามาให้ผู้เปิพืชตำตกเป็นที่ชั่วอาธรรมย่อมนาไปสูน่นรกเป็นเปตเป็นสุลกาาัยชะตาชีราชานอาธรรมมีอยู่ในชีวิตเห่านี้มันเกิดดอกมันเกิดดอกหลายภบหลายชาติ สังคันทชาเกิดในคันสังขีทชาเกิดในเท่าใครทลาพุทธาเกิดในหน้าเมือกอ๋อผิดแล้วนะไม่รู้วาสาบาลีการเกิดแบบนี้โอปปอปาติกะเกิดผุดขึ้น นันเกิดที่ไหนมันเกิดที่กาดที่ใจเราเนี่ยในพวกเป็นชาติต่างๆโอปาติกะเกิดผุดขึ้นมาแบบไหนก็ได้<ๆ>เกิดแบบนี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ดู<ๆ>ไม่มีชากศพ<ๆ>ไม่มีชากศพ<ๆ>แต่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ<ๆ>เป็นพวกเป็นชาติ แล้วก็รับใช่พพชาติสวยมีกรรมมีวิบากมีกิเลสอยู่ในพพชาตินี้ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอคนโกรธก็ไม่รู้จักอิม่มโกรธจนตายคนหลงก็ไม่รู้จักอิม่มคนทุกข์ก็ไม่รู้จักอิม่มไม่เห็นภยัยถ้าไม่มีสติมันก็จะหลงมากโตเรี่ยพืดคน ถ้าเกิดแบบนั้นเอกโอ้ปสมุติเทพเกิดเป็นเทพขึ้นมาโอปฏิเทพเกิดเป็นเทพขึ้นมาบริสุทติเทพเกิดเป็นเทพขึ้นมาถ้าเกิดแบบนี้ก็มีอัน เถึงความดีเป็นเทวธรรมเทวาดาที่เป็นเทพมันสะดวกมันชะมัน ส, นสงบมันเป็นความสุขบริสุทธิเทพนี่เกิดจากเอากายเอาใจนี่มาต่อยอดจะเป็นบริสุทธิเทพเป็นเทพได้ ในเปิดไม่เพื่อนในความสุขในความทุกข์ถ้าสมมติเทพแล้วก็มีในโลกนี่เช่นถ้าเป็นสมมุติก็เช่นเจ้าพา่อพระกษัตริย์นี่เป็นสมมุติเทพเ ป, เป็นเทพโดยสมมติบัญญยตดขึ้นมา อุัติเทพเกิดขึ้นในหัวใจของทุกคนได้ทุกคนอยู่ในเพศใดภาวะใดเกิดได้อุัติเทพเนี่ยเป็นขั้งเป็นข่าวเป็นความสาสุกเป็นความเบิกบานจะิญใจจะเิญธรรมได้ตามธรรม ที่พอเพียงให้เกิดเทพขึ้นมามีหินลิมีความอายต่อความชั่วกลัวต่อความบาปถ้าบดิสุทธิเทพหมายถึงพระระหันที่ปฏิบัติธรรมขึ้นมาบดิสุทธิเทพเนี่ยพ ร, ร, ระลหันเป็นเทพถาวรไม่มีส ม, มุติไม่มีบัญยัต ไม่ใช่เกิดเป็นข้ามังคาวเป็นเทพแบบหนึ่งพระพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเทพเราก็เป็นเทพเหมือนกันแต่สมัยก่อนคนอ้างตระกูลอ้างาอะไรกันไปเราเป็นพรามเราเป็นเทพเราเป็นพรม มาจากพระศิวะมาจากอะไรต่างๆสมัยก่อนคนพวกคนโบราณเขาถือผีเอาผีอ้างกันใครผีของใครใหญ่ถ้าผีไม่ใหญ่สู้ผีอื่นไม่ได้พิงมาลบกวนพีเตอปูผีตายายผีตายายผีมเหิศศักดิ์เมืองยิ่งใหญ่ เลี้ยงนู so, ่นหัวหมูแล้วก็อ้างกันเป็นผีของใครเวลาเขาวันวันปีใหม่ของเขาถูกต้องการเขาจะเอาผีบ้ากันหลงขวงหลงเล่นออนลมถามกันมาจากไหนเวลามาสิงผีสิงเข้ามาเคยเห็นไหมเคยคิดไหฮะเคยเห็นไหม เราล้อมกันนะมาแต่ไหนมาแต่ไหนมาแต่โน่นมาแต่นี่มาเรามาฟ้นเขี้ยวกันบาที่เอาเล่ากันกินฟ้อนเขี้ยวกันอเอาลบ ก, กันลากกั น, ผ, กกนกนะผีลากกันก็นมีนะมีปีลากกันก็มีเหมือนกันเสียผู้เสียคนไปเลย Okay. นนก็ผีอากาเป็นอันหนึ่งที่นี่พุทธเจ้าว่าเขา อ, อวดว่าเราเป็นพรหมเราเป็นเทพพุทธเจ้าว่าเราก็เป็นเทพเหมือนกันเทพกำคุณมาจากไหนมาจากอสีวลิงมาจากอะไรต่างๆตามตำรานะไปอ่านดูเอา้วพุทธเจา้าเราก็เป็นเทพเหมือนกัน เทพของเราคือบริสุทธิ์ที่เทพไม่เปิดเปื้อนกับเรื่องใดปกคุเป็นเทพยังไม่กิเลสตัญหาหลาคะโทสะโมหะเทพโดยชมมติบัญญัติกกันขึ้นมาที่เกียงภายในคิตมันไม่บริสุทธิ์พระเจ้าบริบ่าตัวเองเป็นพระองค์เป็นเทพบริสุทธิ์ที่เทพสูงสุดว่าเทพทั้งหลายล้วก็ยอมรับ ด้วยคุณนธรรมคืออะไรเป็นเทพด้วยวิธีใดไม่เปิดเดดื่อนกงาเสียงใดเปรเทพเรานั่นสมมติติเทพอุบติเทพยังมีความเปิดเื่อนเกิดจากอะไรเกิดจากควมจันความมจันเกิดตรงไหนมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงงานทุกข์เห็มันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ มันโกรธแทนมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธมันอะไรก็ทำไม่เป็นเรื่องบริสุทธิ์เทพมีอยู่ในหัวใจเอากายเอาใจนี่มาต่อยอดมันมีทาให้เราบริสุทธิ์มีสิ่งสปกปรกทาให้เราสะอาดในสิ่งที่ผิดทำเราเป็นสิ่งที่ถูกจะได้ประโยชน์ไม่เป็นหมันผม่าจารย์นี่ไม่เป็นหมัน เอาความบริสุทธิ์อยู่ในความจกปกจกปกที่ไหนบริสุทธิ์ที่นั่ น, น, นเรื่องการเรื่องใจเนี่ยบรสุทจนบริสุทธิ์บริบูวู์ชื่นเชิงเหมือการเกิดเจ็บตายไปเลยนี่คือธรรม ไม่น่าจะยากภาวะที่ลูกว่าม่น่าจะยากไม่ต้องครียดเพียรไม่ต้องอ จ, จ้ำจี้อะไรมากมายเบาๆของมันเบาไปโหมเ่เสีอให้แรงมันก็เสียแหลงไปเปล่าเหมือนของเงาแต่มันเป็นลูกใหญ่เราต้องว่าจะมั น, มนจะหนักเขาไปโหม่แรง แล้วก็ไม่ค่อยไม่ก็ไม่สมกับอันโหมกำลังไปมันเช่มผมบางภูเขาจะไมหนึ่งหลวงพ่อเทียนลองกับหลองตาเนี่ยไปลือบ้านยอบ้านหาอขอให้บ้านหลังหนึ่งมาปกติต่เป็นหลองครัวเขา เาก็มีลูกคนเดียวลูกคนเดียวเขาตายเป็นครูเรื่องพ่อครูเกียรตถู ก, กันดีเ้าให้บ้านเป็นลงครัวเขาแต่ว่าต้องไปลื้อเอาแล้วก็พาพระไปลืออ้อเอาเออล่อน้ำเข็นมา เอเียนมาปลกหลวงพ่อก็หลวงพ่อเทียนก็ไปดูหลวงพ่อไปแบกเสาต้นหนังใหญ่หลวงพ่อเทียนลองเอวจะหักมตไม่หนักไม่หนักบ้าอะไรเสาขนาดนี้ฮ่าาหลวงพ่อเทียนก็ไปเชื่อไม่หนักจริงจหลวงพ่อมันเบาฮะอวางลงก็ ลำโพงเตียนะมันเบายัางไงมันหนักใหญ่กระเด็นลำโพงเตียมันแบบมัเป็นไม่ได้ยังไงเป็นไม่อะไรไม่โซ่ไม่โซ่ไปรู้จักไม่โซ่ไหมแต่บางเลยภาคเหนือมีไม่โซ่มันใหญ่แต่ว่าไม่หนักมันก็มีคนรัาพเป็นบ้านหลงขัวเก่าเกือบจะเป็นร้อยปีของเ ท, ท่าคนเท่าคนแก่ มันยังฝังดินยังไม่มีรอยขาดเลยแล้วก็แปลกที่วันเราก็ อ, อกมาปลูกไม่ช่อเดียแต่ไม่ค่อยงามงา น, นของของเบาไอ้โหเทียนหลักเลี่ยนหลงเป็นลูกไม่ใช่อดละพดนอนเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่ต้องนั่งหลังคดหลังงอง่าย <c oughs> บไ <c oughs> ไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวอันทำความหลงเป็นความรูวไม่ต้องพูดคำดั้นเลยเป็นของสะดวกที่สุด่าถ้าเลยเปลี่ยนได้นี่คือทำ น่าจะกระตือรือร้นไม่ควรเียบปล่อยที่ยงไปเปล่าๆขณะที่มันหลงอันหลงมันยากกว่าหนักเป็นภาระมันรู่นมันหมดภาระลงมันแล้วไปมันแล้วไปแล้วความทุกข์ก็แล้วไปแล้วผ่านไปแล้วความโกรธก็ผ่านไปแล้ว ไม่มีภาระอีกเหมือนกับเราอาบน้าแปรงฟันซักผ้าสวมใสยสัมผัสความสะอาดความบริสุทธิ์ก็ต่างกันบความโสปรกมันมันผิดกันอยู่สัมผัสให้แนบเดี่ยนดีๆของหลงความวามม้หลง ความทุกข์ของไม่ทุกขนะ์น่ะมันปเปิดเิยจริงๆพระพุทธเจ้าจึงเขาลบพระธรรมได้เป็นมานานแล้วจะเป็นไปต่อข้างหน้าและเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็เขาลบพระธรรมอยู่เสมอจะให้หลงได้ยังไงเ่ราะไม่หลงมันมี จใจทุกข์ได้ยงไงควไม่ทุกข์ ม, กมันมีเปลี่ยนไปจากหลักจากตอนี่ก็สะดวกไปไม่ยากเรียกว่าไข่กุญแจแช่สู้โดยเพราะการมีสตินี่ก็ตรงกันข้ามกับความหลง เจอกันดันทีล่ะไม่ใช่ง ม, มมมสาวส า, วสาวหา่าแลกากกำหนดปล่ยเคลื่อนไหว <c oughs> อะไรที่ทำให้หลงเรื่องกายมีมากมายทั้งสุขทั้งทุกข์เอามาเป็นความยากความง่ายเอามาเป็นความพอใจไม่พอใจมันเกิดจากความหลง ถ้ามีหลงก็เป็นไปได้เป็นยากเสียแล้วเป็นผิดเสียแล้วเป็นถูกเสียแล้วเป็นได้เป็นไม่ได้ล้าเรามีความรู้อ๋ก็ไม่มียากไม่มีง่ายไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่เห็นเนี่ยไม่จะยากจะง่ายถ้ามันผิดก็เห็น ผิดไม่มีรสชาติถ้าผิดเป็นผิดไม่ีรสชาติก็ยากไปแค่ซะแก่ให้มันถูกไม่อยากให้มันผิดไปต่อไปอีกดับเบิลผิดเข้าไปเป็นซ้อน้าไปมันผิดเห็นมันผิดมันถูกเห็นมันถูกประว่าที่เห็นเนี่ยมันเหนือไปเหนือเหนือเหนือรสของโลก ดูดีๆผู้ปฏิบัติอย่างนี้จะนั่งอมยิ้มอยู่ตลอดเวล า, วาเวลาทำความเพียรไม่ข้างเครียดไม่ระหวังเปิดตัวออกจากองอาจเราจะดูเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นมามั้นคนมีความรู้ดูงาน ตรวจงานมันก็มีเกณฑ์ชี้วัดมันผิดอันถูกทำอย่างนี้มันได้ไวเนี่ยอันทำให้ง่ายกว่านี้มีไหมแล้วก็มีก็ได้บทเรียนไปเรื่อยๆรื่อยเรียนรูจ้จากสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆ อการปฏิบัติธรรมมันสัมผัสกับลถพระธรรมย่อมชนรสท่องปวงตบารสังทบารโสขิเดติลถพระธรรมย่อมชนรสท่องปวงเพราะเหตุที่ผู้ปฏิบัติย่อมสัมผัสกับลถพระธรรมพระธรรมลดพระธรรมเป็นยังไงมันหลงไม่หลงนะความหล ง, ลงไม่ใช่รถพระธรรม เป็นรถของโลกก็มไม่หลงรู้ขึ้นมาเนี่ยภาวาเช่นนี้ต้องยากหรือต้องไม่หลับไม่นอนกันหรือต้องไม่กินข้าวกินน้ำกันหรอต้องกินเกหรือต้องไปสวมงองเท้าหรือต้องผป่อยกายหรือต้องไอ้อดไหลที่มันพลุนพลังมากมายหรือ ไม่ใช่แบบนั้นอยู่ในท่าไหนก็ได้เช่นพระหันสมัยก่อนเห็นโสเฟนีลองให้ก็ยังมรรลุ ธ, ธรรมโบงผมเห็นผมตกลงก็บรรลุ ธ, ธรรมก็มีก็ก็มันมันสะดวก เห็นผมเป็นสีขาวๆตกตรงเห็นใบไม้ร่วงตกลงมาก็ดังได้บรรลุธรรมล้เพราะเพราะอุคติจันอยู่มันพร้อมมันไม่หนาแต่ไม่เป็นไรชีวิตของเรามันใช่ผิดพลาดจกปกมา มีลอยมาก็ชอบยากดอยก็อยากยจะบีเช่นลถมือสองตกชนหมามากเห <c oughs> มือนลถติ๊กไปช่อมหมายช่างก็ว่าหนักบ้างมันหนักมากทั้งเครื่องทั้งตัวถังข้า ง, ง, งนอกว่าจะให้เฉื่อยไปในเดือนเดียวไม่เสร็จเลยเแต่ว่ามันหนักบ้าง นี่ก็คือการใช่ไม่ละวัตละวางมาใช่มาละวัดระหวางก็เชียหายชีวิตของเราก็เช่นกันใช่สรู้สุดลอยงามากอะไรอะไรออกหน้าออกตาเป็นอาคติเป็จลิตโตสดจลิตเคยใช่ไหม โมหะจริดเคยใช่ไหมหนาคะจเดิตเคยใช่ไหมเท่าไรอ่านพุท ธ, ธจริดเคยใช่ไหมไม่เคยใช่เลยพุท ธ, ธจริดลู่เตือนเบิกบานไม่เคยใช้ไปใช้โทสะจริตปิดคอบเอาไว้โมหะจริตปิดเอาไว้นาคะจเดิตปิดเอาไว้ ทราไ ม, ม ไ, ไม่เงียบไปเนี่ยไม่สะดวกดนะังชีวิตรูปทำไม่ไมค่อยสะดวก <c oughs> ของที่ปิดไม่เปิดของที่พ่วงไม่ง่ายมายก็ไม่เห็น ตอนั้เจริญสติมันเหมือนของที่เปิดออกมันจึงจะเห็นเปิดได้ทุกอย่างหลงเปิดออกว่าไม่หลงก็มีทุกเปิดออกมาไม่ทุกก็มีโกรธเปิดออกมาไม่โกรธก็มีอยู่ทุกเปิดออกมาไม่ทุกก็มีอยู่สุขเปิดออกมาไม่สุขก็มีอยู่ เปิดไปเปิดไปเปิดไปให้มันนายออกมาให้ดูสิว่ามันคืออะไรเลือกได้ชีวิตของเรามันเลือกได้เลือกได้เรียกว่ า, วาชนะาัจจารีพรถ้าไม่รู้จกเลือกไม่ดีว่าชนะไม่มีปัจจารีเพราะไม่ดูทุกก็ไม่มีมมมมว่าชนาะ ก็เลยนอยู่ในสภาพเช่นนั้นู้ที่มีความพยายามเลือกเป็นก็จะมีว่าชนาเป็นคนมากแา้ไม่ค่อยรู้จักเลือกซช้ลุ่จุลยอยไม่มีปัญญาเช่นไปซื้อของักเขียบกองไม้โพเาขาข้างทาง แถวปล่าเข้าเอาลูกสวยๆต้งเป็นหน้าผาไว้แต่ลูกไม่สวยเอาตั้งเป็นห้างหลังเอาเขียนครึ่งกิโลสิบบาทแต่เครือครึ่งตัวเล็กๆนะเขาเขียนครึ่งก็กอสิบบาทก็กองตัวใหญ่ กก่อสบาทโอ้ถูกเหลือเกินนะเราไม่อ่านตัวครึ่งนั่นไปคิดว่าตัวเองจะได้กิโลละสิบบาทที่ได้ได้ครึ่งกิโลไปยืนจกกระโปงเราก็เลือกเอาตัวข้างหลังใส่ถุงให้ใส่ช้งข้างหน้าเขาไปเอาได้อ่านลูกอมง า, ามข้างหน้าเขาเอาขั้วตัข้างหลังเงาะก็บนงามส้มเหมือนกันเอาเจ้าขนไม่มีรอยดำปีใส่ ซือม า, าว่าลราไม่รู้จักเลือกทำไมไม่ไม่มีสิทธิหรือควรจะใช้สิทธิแบบนั้นล้วไปซื้อเราจะเลือกเอาเนี่ยเลือกเอานัเลือกอใส่ถุงไปชั่งออกบางทีบางจังเอาแย่งเอาไปใส่ให้แม่ค้าถ้าไม่ทำนั้นเขาก็ไม่มีกำไรคมหลงก็มีอาชีพมี มีรสชาตินะเขาก็อยากพระอยากนี้ไปไหนเรียก <c oughs> ว่ามานสังขานมานมาก็ยให้มไมมีให้มันติดรสให้มันหลงนะเพียนชักหน่อยเช่นเสนชัยตามเอาสุมนทาคืนมาตกยักเอาปล่อย ถามถึงสุมุนธาแล้วเห็นอยู่ในถ้ำถฉินไฉบังคับไม่กลับบ้านจุมนธายังรอให้พี่ยักษอ์อากดพี่ยักษ์ไปหาฉิงจะไม่กลับเฉินไยก็บอกว่าไม่ได้รอไม่ได้ไปตรงนี้ไม่ไปดฝันขอขาดจนะังจุมนธาเขายอมไป ไปแล้วไม่กี่เช่นกี่ว่าคืนลืมเอานนอนคืนไปเอาชช่ น, นอยก่อนปจใจต้องพาคืนมาเก็บนอนเก็บนี้ไปไปมันฉินสมวัาจานขวงยักษ์ขุมพันอยู่พี่ยักษ์เขาอยู่ว่าให้พี่ยักษ์หลอกาัามยังไม่ได้สั่งอะไรฉินใช้บอกว่าไม่ได้ไป วางขาไปยังลืมกลับมาอีก2เที่ยวสามเที่ยวจนที่ขาดจินใจจะฟันคอขาดจริงเลยไปเอาคอไปหิ้วไปเอาหิ้วหัวไปนี่คือสุนทาจะไปเลือยไปจริงไปนะความหลงก็มีความอะไรในความหลงอ๋อลอย ควรสุขควรทุพอ่อนลอยกิเลสตันหาก่อนหลายมันเหนียวเด็ดขาดจะหน่อยเลือกทวนกระเชักหน่อยแม่ว่ามันรู่ลู่ไปก่อนมีมัตตุอุปกรณ์กับฐานช่วยยกมือออกมากระติสั่นดึกดึกดึกดึกสังศีดึกๆๆกเคยวทำแบบนั้นกันแล้วมันใชนานนั่นนะ ลุกก็ไม่ใช่ลุกทําอะดีดดึงขึ้นเลยนะมันอย่างนั้นเลยบางทีก็แรงกับมันเรียกว่าขูดเกาขูดเก่าคืออะไรทุกตรงขูดเกา่าถ้ามันดื้อด้านเอาทุก ด, ดงของมาขูดเกา่าอช่วยได้ถ้ามันไม่ดื้อก็ไม่ต้องทําขนาดนั้น มันจะเข็ดหลาบได้เหมือนฝึกหัวเทียมเปลี่ยนตึกม้าวิง่งเก็บลูกเล็กลูกใหญ่ถ้ามันเก็บดีอยู่ก็ไม่ต้องไปไปขนามันนั่งไปเฉยๆถ้ามันผิดนิดหน่อยเอาต้นขาขนาบอาจจะหล่อจิตยาที่เราบอกวันามาลูกออน้องแล้วน่น สอนมันจะต่อบางทีเขาใช่บ้างเขาข้ า, า, ง, ขาขงขวาบ้างการวิ่งช่งเชๆนึนเน่เขาใชยดัดเขาสอนบ้างบางทีก็ใช่บางเหีน้นบางทีก็ใช่ไม่เหลียวก็มีนะมาบางตัวพระเจ้ายังเคยเปรียบเทียบ <c oughs> มาบางตัว พอเข่าอีหลาพูดไปได้แต่ม่าบางตัวหยาบต้องยกไม่เหลียวขึ้นจึงตาเมื่อวางตัวยกมาเหลียวขึ้นยังไม่ไปไม่เหลียวถูกหลังจึงตาบางตัวไม่เหลียวถูกหลังเนะี่ยยังไม่ไปให้เลือดไหลออกเสียก่อนบ้านั่นก็มีนะมาบางตัวสนเนาะ <laughs> เหมืกับหัวดื้อสอนยากทีนี้ถ้าตัวไหนมันสอนง่ายไม่ต้องปานนานไม่ต้องไปเครียดรานแต่เครียดมันมันก็ไม่เอาว่าไปอยู่ปะเนี้ยังใช้ไปยังไงอกีกมันจะเอาอะไรทิ้งไปเลยเรียกว่าพยุศไปเลยก็มีเหมือนกัน ล้วก็รู้อยู่ น, นี่นะไปทำอะไรยิมย้มแย้มแจ่มใสหายใจเข้ารู้จักตัวไอ้ความรู้ก็กับอริบทการใช้ประจำวันมันจะสนุกสนานประพฤติทำแนวไม่ใช่ไปนั่งเเข่งเขิมเจ็บลมไม่พูดไม่จ๋าไม่ดูไม่แล้วอะไรไม่ใช่ไปเถอะไปลงสนาม ดูมันจะเป็นนักลบไหมนักลบมีสามประเภทแล้วเจ้าเคยเปรียบเทียบ น, นั ก, กวัวก็ถือว่าเป็นนักลบพิจุทั้งหลายตายในสนามตายนอกสนามพิกษตวางโลก นักโลภ บ, บางประเภทพอเห็นผงขุ่นทุลีในสนามโลภก็กลัวแล้วไม่สู้แล้ว <c oughs> กลับบ้านตายนอสนามบางนักโลบบางคนได้ยินเสียงดาบเสียงลูกศรก็กลัวแล้วกลับบาง น, นักโลบบางประเภท เข้าสนามก่อนลูกสอนถูกนิดหน่อยสู้บางที่ทุกสอนถูกนิดหน่อยไ่สูก้กลัวแล้วกับบาล น, นักลบบางประเภทลูกสอนถูกไม่กลัวจนตายในสนามนี่ก็มีนักโลกพิศวงโลก เได้เหนว่าสาวงามบ้านนั่นบ้านนี้วันไหวจะแล้วไม่เอาแล้วกลับบ้านนักิกสุวรู่งมีอย่างนั้นอิสุวาง่งวพาเห็นสาวงามเห็นเธอไม่แค่ได้ยินนะเห็นแล้ววันนะี้เห็นแล้วรู้สึกชอบ น้าตออะไรดีแพ้ก็เองนักลมบางเพศเห็นสาวงามได้เขี้ยวพาราศีได้ยิ้งแงมแย้มแจ่มใสแพ้เ้าเลิกอิสุวางลูกสู้ตายเป็นตายจนเห็นสาวงามนุ่งน้อยห่มน้อยสู้ตะเพื่อตเพื่อ อันนี้ก็มีมัอนกันพิสูวงโลกไปอ่านดูในพะสูตรนะสนุกสนานนะไม่ใช่เรื่องไอชีเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเท่าไหร่ถ้าประเภทนี้นะ <c oughs> มันเกิดอยู่ที่เรานี่แหละลองดูสิอะไรสู้สักหน่อยไม่ใช่ไม่สู้เปลี่ยนหลงเป็นลกูกคือสู้หมดไปให้มีพลังกันนะ ขณนะความหลงด้วยมีความรู้จักตัวเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปไปมันจะง่ายไปง่ายไปไม่ใช่ไปโหอมหมดเลยเอาความรู้ไปเป็นพื้นฐานก่อนตู้จักตัวไปก่อนทำอะไรเล่นไปก่อนหัดตนสนตนไปก่อนถ้าไม่หัดมันก็ไปเฉงเหมันจริงเพราะกา่อนหัด มันช่างทำอลไรม า, าจา์ตุ้มจานตรงเป็ น, ถนสถาปัตเปหัดแล้วก็มาเป็นดูกันพูดกันสองสามคำแล้วออกรูปแบบกันมาถ้าไม่หัดมันวังเขาพูดเราก็ไม่รู้เลยเร่มเก่า มีเลื่อมเก่าขวรญเลื่มเก่าสิวเลิ่มเก่า ก, ากบอันเก่าเขาเคยใช่มันก็มีฝีมือมันงามขึ้นมาเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่เจ้าไม่เคยใช่ที่จะเลื่อยก็ปาดไม่ถูกไม่ตรงไม่ได้ฉากเข้าก็ไม่สนิทแลดูยากดูไม่เป็นนี่ก็หัดเพราะการหัดสิ่งเป็น ทำให้มันเป็นไม่ใช่ทำให้มันรู้กรรมฐานทำให้มันเป็นถนะ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องเรียนกรรมฐานก็เช่นกันถ้ามันเป็นแล้วก็ใช้ไปเลยบริสุทธิ์บริบูรณ์ชื่นเชิงไปเหนือยกังกเกียจเจ็บตายไปเลยใช้ไปเลยไม่ต้องไปหัดยอมสงบเราฝึกยอมสึกเราลุก่นีะ ถึงไม่ควรประมาทเท่าเราก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันไม่ต้องไปคิดเรื่องใดกลางวันอะไรมาอยู่ที่นี่มีอะไรก็ให้ให้เหมือนกันไม่ทะเลาะวาากับใครๆอยู่กันโดยครองฉันพี่ฉันน้องมีอะไรก็ช่วยกันหนักช่วยกันหากหนากช่วยกันดึง มีคนหนุ่มมีคนสาวมีคนเท่าขนแก่ปานกลางก็ ด, ดูแลกันไปหยิบไค้ไดีป่ว ย, ยเคยู่ยวยแต่ทิ้งกันกอดค อ, อกันตายเคยเคยกอดคอกันตายนะหลวงพ่อเคยกอดคอเคยกอดคอหลวงพ่อจะลันตายจริงๆนะว่าจะขอกอดคอหลวงพ่อจะลันตายกอดคอ ของพ่อจะรันพูดกันนะนะไอ้ที่มันเจ็บมันปวดมันเป็นอาการของรูปนะหลวงพ่อจะไม่เจ็บไม่ปวดนะหลวงพ่อจะรันรูปแล้วนะแล้วก็แล้วรูปแล้วนะอืมนี่คือรูปที่มันเป็นอาการทําไม่มีเราเห็นเป็นอาการไม่ใช่เป็น จบเป็นทุกข์นะพระเนนพระนั่งเผ้าดูก็ก็ร้องหอบร้องให้กังวลไม่ใช่เสียงพ่อจันรันนะเนี่น è, เป็นอาการของกายของลูกแล้วพ่อจันไม่อยู่ตรงนี้นะจูงพ่อจันไปรองอกัออนตามไปอ๋อพูดไปพูดไปแล้วก็ต่อเหลือขึ้นนะ ลวงพ่อกับมือไป ล, ล้ตาลงตั้งสติดีนะหลวงพ่อนะเงียบนไนะเหลือขึ้นมหอีหลวงพ่อกับมือรูบลองอสุดท้านนะี่น้อยคิดนะโอ้ใช่หูคออน่ะนะอนี่ยฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าไปด้นสิ้นสุดตนไหนคิดเรานะฮ่ามพ อ้ามโยมร้องให้เด็ดขาดหลวงพ่อจะร้านสอนเราก็ให้ร้องให้นะอยู่นิ่งๆกันกแล้วก็ช่วยกันอ้าแล้วก็ปิดตาปิดาปากเรียบร้อยแต่งหน้าแต่งตาประมาณห้านาทีหน้คาคนใจขาดเราแต่งหน้าลูกไว้ตรงไหนอยู่ตรงนั้ น, นเคยผวดหน้ามันหิวเลือบโอ้แต่งแต่งปิดตาลง ปิ ด, ป, ดปอกปอยห้มๆนๆดหน่อยแต่ขา้าทีมันก็หยุดอยู่แต่บางคนในปล่อยกันนอนหน้าป่าลูกมันไปไหนหมดนะพ่อแม่ไปหนดทำไมจังปล่อยให้กันตายแบบนะะั้นมันทำได้มันอยู่่ะแต่งหน้าเวลาคนใจขาดมันใจสวยนะเอ้หวังก็มีโอการเช่นนี้